ผ่านตรงนี้ไปก่อนคันนี้จะมาอธิบายเป็นเชิงข้ามชาติาอธิบายในเชิงข้ามชาติคือาการรู้เหตุปัจจัยตัวเหตุปัจจัยเนี่ยมันมีอัตธาอัตธาตะงนี้หมายถึงชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนชาติก่อนเรียกอดีตอัตธาชาตินี้เรียกปัจจุบันอัตธาและ ชาติหน้าเรียกอนาคตอัตตาอัตตาเป็นชื่อของการเวลาที่กําหนดกันเอา่ปฏิสนธิถึงจุดติคือชาติหนึ่งกับอีชาติหนึ่งเรียกอัตตาก็มีประเด็นที่ผมขออ่านอธิบายรวบไปได้วยกันว่าประการที่หนึ่งรู้เหตุปัจจัยของนามรูปของเหตุปัจจนะัยนั้น เป็นปัจจุบันอัป ธ, ธาด้วยกันเหตุก็อยู่ในชาตินี้ผลก็อยู่ในชาตินี้เอนเราทํากรรมชาตินี้ให้ผลชาตินี้ได้หรือไม่มีหรือไม่เราอากินอาหารชาตินี้โรคภัยไข้เจ็บเกิดในชาตินี้อาหารที่ไม่เป็นตับายะก็ได้กินชาติก่อนไม่ได้ ไอ้นี่เป็นชาตินี้อยู่แล้วแล้อมันก็มีหลายๆกรณีนะก็หมายถึงอย่างนี้ทั้งเหตุลึกเหตุตื้นเหตุหลักเหตุรองมันอยู่ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันแล้วก็สองเหตุปัจจัยเป็นอดีตอาาัตตาแต่นามรูปของเหตุปัจจัยนั้นเป็นปัจจุบันอาาัตตาตรงนี้แหละครับที่ผมจะถามท่านว่าชีวิตเราในปัจจุบันเนี่ย เกิดขึ้นจากเหตุปัจจุบันก็มีเหตุอดีตก็มีอดีตหมายถึเอาอดีตชาติน่ะถ้าถามว่าเหตุในอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเหตุชาติไหนมากกว่ากันสําคัญกว่ากันเอาสําคัญและเอามากด้วยอ้าตอบสิเหตุชาติไหนเหตุชาติก่อนครับทีนี้ถามว่า เราตระหนักเห็นความสําคัญเราเนหมายถึงธรรมดาสามัญมนุษย์ตระหนักให้ความสําคัญเห็นความสําคัญของเหตุที่เป็นอดีตชาติกับปัจจุบันชาตินะเราให้ความสําคัญเห็นความสําคัญของเหตุชาติไหนมากกว่าชาตินี้ใช่ไหมฮะแม้แต่เราทําอะไรไว้เนี่ยเราก็ไม่ทันใจที่จะไปรอกินชาตินาะนะจะทําวันนี้กินวันนี้ ทำชาตินี้กินชาตินี้บอกว่าเออทากรรมแล้วชาติหน้าจะได้รับผลมาไม่ทันใจร้อนก็คือโลภมากไปหน่อยนะฮะเหมือนมันก็ต้องมีไอ้บางอย่างทําปุ๊บนึงเนี่ยทํากรรมอันเดียวกันทําเหตุาอันเดียวกันมันก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับทุกทำชาติไหนมันแบ่งส่วนทั้งนั้นทําชาตินี้ส่วนหนึ่งเราได้ในชาตินี้ได้ทันทีเลยก็มี ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนมากจะได้ในชาติข้างหน้าข้างหน้าโดยเฉพาะส่วนที่มันเป็นผลในรูปของเหตุปัจจัยต่างกๆทําแล้วมีความสุขใจเป็นผลได้ของการทำกุศลไหมฟังทำมา ก, ารรมมากปุ๊บยาวเป็นอรหันต์กันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เหมือนกันแต่บางคนไม่มีใครแล้วครับถึงจะเป็นอุคติทันโยเพราะอ้าปากอย่างไม่พูดบรรลุโงหน้าแล้ว อย่างนั้นก็ไม่มีใช่ไหมละ่ะต้องผ่านเวลาไป น, นิดหนึ่งก่อนเทศนาจบมาที่จบถ้าจบเป็นช่วงตั้งประเด็นหลักก็ถือว่าจบช่วงหนึ่งแล้วบรรลุเป็นอุกติสันอยู่ถ้าเป็นวิบัญชีก็ต้องไปจบอีกช่วงคนระับจบภาคอธิบายอธิบายให้ได้ครบกระบวนกวารแล้วบรรลุอ้าวก็จบไปช่วงมองพวกก็ต้องทุกข์ทรมายอะไรต่างๆมากกว่านั้นบรรลุ บางพวกก็ต้องฟังเอาไว้บรรลุชาตินาเอามีเหมือนกันน่ะูพระเจ้าทังก็รู้ฟังแล้วตายไปบรรลุชาตินาถึงบางคนบอกว่าอฟังไอ้พวกไม่บรรลุเลยนะแะต่ตรัอย่างไงครับมีอยู่ในประสูนย์พระไตรปิฎกเรือรเบบิกเ้าบอกว่าถ้าไม่ได้บรรลุตอนอยังไม่ตายก็จะบรรลุตอนใกล้าตายถ้าตอนใกล้าตายไม่ได้บรรลุ ก็จะบรรลุฌานะแหมทุบกำปั้นทุบดินไปเรื่อยแลราฟังแล้วก็จะว่าอย่างนี้เลิกจริงๆการสร้างบารมีคนก็อย่างี้คนที่เขบารมีมาสร้างมาดีแล้วก็ไอ้พลังปัจจัย น, นี้มันก็ให้ผลได้ทันทีใช่ไหมละ่ะบางคนนีนยังก็ต้องเสริมบารมีออื่นก่อนแล้วพลังอันนี้ถึงตามไปประกบให้ได้บรรลุถ้าไม่มีพลังบารมี น, นี้ก็ไม่ได้บรรลุก็ต่างๆกันอย่างนี้ ทีนี้ไอเราเนี่ยบางทีมันไม่รู้ว่าเรามันแค่ไหนเราก็ใจร้อนเกินเหตุแล้วมีมีใจเย็นเกินเหตุบ้างไหมมีเหมือนกันใจเย็นเกินเหตุคือความจริงถ้าทำก็ได้แล้วให้ทำใจเย็นอย่างนี้มีเหมือนกันแล้เรื่องเย็นเย็นเนี่ยครับอย่าว่าแต่อย่างเราเลยครับใครที่ยังมีกิเลสเนี่ยก็ยังมีลักษณะนี้อยู่มากมากน้อยแต่ว่า คำว่าใครที่ยังมีกิเลสเนี่ยคืออย่างเช่นพระโสดาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้โสดาที่มีปะหานียธรรมทำอันเป็นไปเพื่อความสื่อมในสิ่งสิ่งที่ยังไม่ได้ความจริงเคยเอามาคิดเอามาบอกบอกกันบ้างแล้วก็กรมมะรามาตาเพลิดเพลินกับการทํางานไม่ใช่งานวิปัสสนานะี่งานอื่นเพลิดเพลินกับการทํางาน อย่ามาเถียงว่าฉันไม่เพลินฉันจําเป็นนั่นแหละมันรวมหมดเลยเรียกว่าเพลิดเพลินในการทํางานอย่างงานอาชีพหรืองานไม่ใช่อาชีพงานผลประโยชน์หรือไม่ผลประโยชน์ก็ตามผมพูดตรงนี้แล้วผมไม่ไม่พยายามจะอธิบายเป็นการว่าใครนะเราก็ต้องยอมรับสภาพไม่เพลินก็ยังไม่แน่ใจจะบรรลุหรังเล่านะเรก็ต้องก็ต้องเถียงว่างั้น ส, สองเพลิดเพลินในการ ผู้คลีน้หมา ย, ยการครอบค้าสมาคมติดต่อเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะงานสังคมอย่าไปนึก็อย่างนั้นแม่แต่การว่าชอบลูกเล่นกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้นะฮะความอบอุ่นในครอบครัวอะไรแต่อะไรนี่เข้าทั้งนั้นแล้วก็ต่อไปคือเพลิดเพลินในการพูดไม่น่าเลยตรงนี้ อย่างผมนี้เพลิดเพลินในการพูดไหมบางคนไม่กล้าไปยักหน้ากลัวทิศหน้าไม่มานี่เดือนตุลาเขาต้องหยุดเพลินสักเดือนแอบไม่ใช่ตุลาพฤศจิกาจะหยุดเพลินสักเดือนแล้วอแล้วก็เพลิดเพลินในการนอนเพลิดเพลินในการนอนคือชอบนอนและเครื่องเพลิดเพลินในการนอนในความจริงมันละเอียดกว่าที่เราพูดกันนะพูดงี้ได้่ันเอ๊ะฉันก็ไม่เห็นแกนอนนี่ ฉันก็นอนดึกตื่นตื่นมืดตื่นแล้วมืดบางคืนยังก็ไม่ได้นอนความหมายในเรื่องเพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินในการนอนมีความหมายลึกกว่านี้เรื่องเรายังไม่เคยอธิบายกันนะแต่เอานึกเป็นคร่าวๆก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้พระโสดาบันบางคนเนี่ยบางองค์อยู่อย่างนั้นแหละครับแทนที่จะบรรลุเสี้ยววัยวก็ไม่ได้บรรลุ แล้วก็ต้องยกตัวอย่างอย่างไม่เป็นบาปก็คืออย่างเช่นนางวิสาขาบรรลุโสดาบันเมื่อฟังธรรมเทศนาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกไม่ได้หลีกเล่นอีกเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะฟังต่อจากพระสารีบุตรแล้วก็หลีกเล่นอย่างนี้ก็ได้บรรลุขึ้นไปตามลำดับก็เราอยู่อย่างนั้นแล้วก็สบใจนางด้วยท่านก็เลยเรียกพระโสดาบันอย่างนางวิสาขา ว, ว่าเรียกว่าไงีย วัตตาพิรตะคือผู้ที่ยังมีความรู้สึกลื่นลมในวัตตสงสารอยู่บ้างไหนๆก็จะไปนิพพานแล้วก็ขอสนุกทิ้งทวนรักษาแนะ่แต่ว่าท่านมีหลักประกันตรงนี้คือเพลิยังไงเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้การคุ้มครองของมรเพลินไปได้ก็ไม่เกินเจ็ดชาติเจ็ดชาตินเราว่าอย่างคร่าวๆนะ ว่าอย่างที่รู้ๆความจริงมีแง่มุมอย่างอื่นถึงไม่ไม่ไมพูดในเป็นปนัญหาก็ต้องบรรลุแล้วที่นี่อย่างเราเนี่ยเราบอกเออไม่เป็นไรนางวิสาขาเพลเราก็ขอเจริญลอยตามเพราะนางวินางวิสาขาต้องบรรลุแน่แต่อย่างเรานี่เพลินแล้วมันไปเลยเขาไม่รู้บรรลุเมื่อไหร่รก็ไม่ได้ไอเพลินนังเราก็เพลินเสียเลยเพลินหนีวัดไปเลยท่านท่านพูดถึงว่าขนาดระดับมือระดับโสดาบันเนะยว่าถ้า ไปต้องประหาเนิยธรรมห้าอย่างชั่งักเสื่อมจากธรรมที่ควรบรรลุไม่ใช่เสื่อมจากธรรมที่ได้แล้วเสื่อมจากธรรมที่ควรบรรลุนี่เราเป็นปุตติชนิกิเลสเรามีค่าศึกมากกว่าท่านเยอะถ้าเราไปต้องอย่างนี้เข้าไม่หยุดจะบ้างไม่หยุดเรินจะบ้า ง, เ, เ, างเราก็ไม่มีโอกาสที่จะขยับขยื่อนไปสู่กระแสปฏิบัติธรรมเลย ทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะก็เพลินเพลินด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยไม่เหรอไม่ได้เหรอไปงานสังคมด้วยปาร์ตี้ไปด้วยวิปัสนาไปด้วยวิปัสนาปาร์ตี้ไม่ได้เหรอเออย่างนี้เดี๋ยวก็อ่างไปอย่างก็กินเหล้าไปด้วยวิปัสนาไปด้วยลดหนอลดหนอชุนหน่อมันก็เลยไม่มีขอบเขตนะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้หลักนี้ท่านถึงมีขอบเขตส ก, กัดเอาไว้ว่าไอ้ตรงไหนเป็นประโยชน์ตรงไหนไม่เป็นทีนี้อย่งางเรานะไม่ต้องพูดหรอก เราส่วนใหญ่เราเพลินเราก็หยุดเพลินบ้างเป็นครั้งเป็นโอกาสแล้วก็เอาพลังส่วนนั้นามาช่วยเสริมชีวิตคนเพลินไม่ให้มันเพลินหนักไปไม่เพลินหนักข้อไปหัวข้อถัดไปเหตุปัจจัยเป็นปัจจุบันอัตตาแต่นามรูปของเหตุปัจจัยนั้น ในนี้เป็นนามรูปของนามรูปนะว่าจริงต้องเป็นของเหตุปัจจัยนะเป็นอนาคตอันตาหมายก็ว่าเหตุเป็นปัจจุบันผลเป็นอนาคตนี่ถึงบอกว่ารู้อนาคตไอ้การรู้อย่างนี้ไม่ใช่รู้แบบกระโจนเปลี่ยงกระโจนเปลี่ยงน่คือรู้แบบที่ประจักษ์อนาคตังสยานรู้แบบกระโจนเปลี่ยง แต่รู้อย่างนี้เขาเรียรู้ไปคืบไปตามกระแสบันไดของความเชื่อมต่อของนามของรูปบอกเพราะเห็นอันนี้จึงรู้ไปถึงถึงอาคล้ายๆอย่างไงฮะคล้ายๆอย่างคนดูฝนดูฝ น, นหมายถึงพยากรณ์กลมอุตุแบบนั่งทางในก็พยากรณ์แบบกี่หากี่หาไปไม่กลงสักเปีไอกี่หางี่หาเนี่ยนะสมัยนี้นะ ไอ้ที่ว่าปีนี้ฝนจะตกกี่หาเนี่ยครับที่มันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เอาจิงกระจังแล้วครับนี่ก็ถือพยากรณ์ไปตามเรื่องแต่ว่าพวกที่เขามียานอย่างรู้เนี่ยเขารู้ว่าฝนจะตกแต่อาการรู้เขาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีพายุพัดเมฆมาอัตราความเร็วเท่านั้นเทาน่านี้ต่อกิโลเมตรนะแล้วก็จะมาถึงตรงนี้จะตกเท่านั้นเท่านี้บริเวณนั้นต่อหลงสนนีน้อย่างกรมอุตุเขาพยากรณ์ อย่างนี้เอสมัยก่อนก็พยากรณ์เปลี่ยงเลยแต่กลมอุตูเนี่ยพยากรณ์แบบมีเบาะแสนะฮะวิพัฒน า, านะ่ะคล้ายกลมอุตุพยากรณ์รู้เห็นตามเบาแสมันเพราะว่าเหตุกับผลเนี่ยมันมีไอ้ถ้าจับหลักของมันได้แล้วมันจะมีไอ้จุดเชื่อมของมันอยู่ก็รู้ว่าออกมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างบางคนเนี่ยเขาบอกแหมบางทีฉันก็รู้ว่าวันนี้ใครจะมา ทำไมถึงรู้บอกในใจมันมีอะไรหงุดหงิ ด, งดมันมีมาดีมาไม่ดีบอกได้เลยนะถ้ามันมีอะไรแนละ้วสางหนุดหงิดมันมาไม่ค่อยดีมาแบบอันนี้ฐานลมถ้าใจมันมันมีอาการผ่องผ่อ ง, องปลื้มปลื้มมาแบบดีแต่บางคนเขาบอกว่าเนี่ยต้องมาเพราะมันมีไอ้เหตุผลบังคับกันอยู่เช่นบอกว่าคนเช่าบ้านเขาอยู่เจ้าของบ้านนาเลือดเนี่ยต้องรู้แล้วว่าวันที่หนึ่งต้องมาแน่ทั้งที่ไม่ใช่ผู้วิเศษอะ แลรู้ทันทีเลยไปอันนี้พูดถึงว่าเวลารู้ก็รูเ้เหตุปัดจข้อไหนเนี่ยเหตุข้อสามใช่ไหมเหตุปัจจุบันใกล้ตั ว, วรู้อันนี้ก่อนแล้วก็เอทันโทษอ่ะมันผมไปดูผิดข้อไปย้อนกลับไปนะอันนี้ก็ไปเวลารู้อะไรก่อนก็เข้าในหลักข้อประเด็นที่สองต่อไปข้อสี่เหตุปัจจัยและนามรูป ของเหตุปัจจัยนั้นเป็นอดีตอัตตาด้วยกันนี่ก็ยิ่งแปลกหนักขึ้นไปอกีกว่ารู้เหตุปัจจัยในอดีตแล้วก็เห็นคือเทียบเหมือนอย่างนี้นี่นี่มันอัตตาท่านเอาข้ามข้ามชาติอย่างเช่นว่าเราเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักธรรมดาด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเวลาเรารู้ทีแรกเราก็รู้ชีวิตปัจจุบันนี่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไร บางอย่างเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราเราได้อยากจะเป็นอันนั่นทํานั่นทนํานี้โอกาสจะเป็นจะได้มันก็มีแ้่ทําไมเรามันคลาดแล้วมานะคลาดแล้วมาต่อบางบางระยะเราก็นึกว่าแหมเราโชคไม่ดีเลยเราไม่น่าเลยอะไรคิดอย่างธรรมดาพอตอนหลังเนี่ยเรามาซึ่งในธรรมะมากขึ้นก็เห็นว่าโอ้คือ น, นึกว่าถ้าเราไปเราเนี่ยใครก็ได้นะพูดแทนทุกคน ไปเป็นอย่างนั้นไปใช้โอกาสนั้นมันก็ต้อง ม, มาอย่างนี้แล้วต้องมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องไปอยู่อย่างนั้นไปไหนก็ไม่รู้นะแต่เพราะมันคลาดแคล้วมามาเป็นอย่างนี้มันก็เลยดีไปเราก็เห็นว่ามันเลยดีไปตอนหลังนะไอ้บางคนเนี่ยถึงบอกไปผิดหวังในชีวิตครอบครัวลูกตายธุรกิจเสียหาย ก็เสีย อ, อกเสียใจหาหมดหาหมอมาจนต้งมาหากรรมฐานแล้วก็เกิดมาได้ดีไดดีเพราะกรรมฐานเขาเพิ่งมาดีใจที่หลังก็มีแล้วก็มามองว่าเอ๊ะทาไมต้องเป็นอย่างนั้นและทําไมคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างเราเขาก็เข้าทั้งรวยรวยไม่ได้หรือเข้าทั้งเฮงเฮไม่ได้หรือมีแม่เข้าทั้งเฮงเงเฮงอยู่แล้วเข้ามาก็เฮงใหญ่แล้วก็ไอเข้ามาเพราะสวยก็มีสวยเรื่องอื่น แล้วก็เข้ามาหาธรรมะแล้วเลยมาเหงวะธรรมะกลับไปรื้อฟื้นคืนชีพได้อีกก็มีโอ้เรื่องนี้น่ะตอบได้ยาวยืดตัวอย่างเยอะแยะในสมัยพุทธกาลนะท่านนึกเอเอะมันชตาตากามอย่างนั้นแล้วอย่าไปนึกว่าคนสวยแล้วจะต้องมาเหงวะธรรมะทุกคนนะสวยแล้วไม่เข้าวัดก็มีใช่ไหมละ่ะเหงวแล้วไม่เข้าวัดก็มีมันต่างกันที่ตรงไหน ก็ต่างกันที่เหตุปัจจัยทางนี้ของคนแปลว่าคนมีเหตุปัจจัยทางนี้มันมีเหตุปัจจัยพ่วงเสริมเข้ามาแตกต่างกันมันถึงเป็นอย่างนี้ดังั้นบางคนเนี่ยถึงบอกว่ า, วามีปัญหาตัดไฟแต่ต้นล้มได้บางคนพอไฟลามและดับได้ลามนิดหน่อยดับได้บางคนเนี่ยต้องต้องปล่อยให้มันวินหน้าสารโลไปก่อนถึงแก่เอาชีวิตไว้กันแล้วกัน เอาเอากำลังใจไว้อย่างรายหนึ่งขนาดนี้ยมีคนอย่างฮีมองดูแล้วต้องปล่อยเลยครับปล่อยให้เกิดไปเลยบอกเขายัางงันเลยว่าอย่างนี้ต้องปล่อยเรื่องปัญหาในครอบครัวต้องปล่อยเลยปล่อยแล้วก็แล้วมาสร้างตนมาแก้ทีหลังถึงแก้ได้ไปแก้ก่อนแก้ไม่ได้หรอกลักษณะกรรมของบางคนต่างกัน และบางคนเนี่ยเรื่องมันลามเสร็จแล้วก็แก้ไม่ได้ก็มีต้องคือเขาไม่มีโอกาสจะให้แก้มันต่างกันอย่างนี้เพราะนั้นไอ้ปัญหาเราไกลๆอย่างนี้นี่ถ้าถ้าเราทํากรรมฐานแล้วบางทีต้องต้องต้องรักไกจอาจารย์เหมือนกันนะผมผมต้องขอประธานอภยัยผมไม่ต้องการให้เป็นข้อแนะนําแต่ผมทําของผมมาบางทีก็รักคืออันนี้เราไม่ต้องไปบอกแล้วนี่บังเอิญที่นี่ไม่ใช่อาจารย์ผมผมบอกได้ แต่ในนั้นไม่บอกเราก็รักไก่ด้วยวิธีพกอะไรเข้าไปใตยอาสนะบางในหัวใจบางนะเรื่องทางหลักวิชาบางเรื่องทางปัญหาบางอย่างบางแล้วก็พกไปดูไอ้ตรงนี้มันจะยังไงพอเวลาเราได้ธรรมะพอจะเห็นว่าเป็นที่พึ่งในทางแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาแต่ไม่ใช่ไปนั่งแก้จะลืมทำนะ คือหมายถึงเราก็รอจังหวะเป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วถึงพาทําแล้วก็ทําก็เจอว่าได้ประโยชน์ก็ทำมะถ้าเราไม่ไม่มีเจตนาเอามาทําเลยมันก็ได้แต่ทำมะแล้วก็มันจะแก้หรือไม่แก้มันจะเป็นไปตามจังหวะไม่ได้อยู่กันมันก็บัญญาติของเราอย่างบางบางคนเนี่ยเราโทษเหสามีหาเรื่องทะเลาะไปมีคนอื่นแล้วก็จะไปเย แล้วจะไปแต่ตัวไม่พอจะเอาที่ไปด้วยเอาสมบัติไปด้วยจะให้ทํำยังไงอย่า ง, างีมีมีสองลายอ่ะลายหนึ่งขาดการติดต่อเขาไม่ได้คนที่อยู่ในแวดวงนี้นะผมผ่านบ้านเขาก็ยังรู้สึกกระเทือนใจอยู่อ่ะไม่ได้ทําตัวเป็นมิตรกึบเขาก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ดูท่าทางแล้วยำไปเลยอ่ะ มองดูว่าเจ้าของปัญหาก็กรรมกรรมมากอีกลายหนึ่งพอไหวแต่ว่าลายนี้ต้องปล่อยเข้าไปแล้วมาตั้งหลักใหม่อย่าเพิ่งรีบไปฆ่าตัวตายนะอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายแล้วก็เลยเราไปก่อนเขาเลยหมดเลยลูกเต่าลำบากผมก็คงจะเล่าชัดเจนอะไรไม่ได้นะเอาไปข้อหาเหตุและเหตุปัจจัยและนามรูปของเหตุปัจจัยนั้น เป็นอนาคตด้วยกันก็หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยชีวิตของเรานามรูปของเราอันไม่ใช่คนใช่สัตว์ที่ปรากฏอยู่ขนาดนี้มีฐานะเป็นทั้งเหตุทั้งผลใช่ไหมฐานะเป็นผลเป็นผลของอดีตแล้วผลก็มีหลายไอเหตุก็มีหลายอย่างอันนี้หลักท่านบอกแล้วผลอันหนึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุอันหนึ่งแท้ที่จริงผลอันหนึ่งเกิดจากเหตุหลายอย่าง และชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราบอกว่าผลอันหนึ่งความจริงมันไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้มีหน่วยเดียวมันหลายหน่วยพูดง่ายว่าหลายลักษณะผลแล้วก็มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งค่าสูงค่าต่ำอะไรที่มันมันอิรุงตุรงนังกันอยู่ในนี้ไอเวลาเรามองกัอย่างธรรมดาเราก็มองเป็นชีวิตดุนดุนเน่ะมองเป็นเดี่ยวเดี่ยวดุนดุนไม่ได้มองอย่างกระจายทีนี้คนทํำวิปัสสนาเนี่ยก็มองอย่างกระจายตัวชีวิตเรามันไม่ใช่หน่วยเดียว เพราะนั้นมันก็เป็นตัวผลแต่ละตัวผลที่มาเกิดในกาละเดียวกันมาเป็นสัมพันธภาพกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไอ้แต่ละตัวเองเนี่ยครับอย่างเช่นเวธนาเองก็มาจากหลายเหตุรวมกันก็มีแยกเฉพาะก็มีนะทีนี้ไอ้พูดอย่างนี้มันยุ่งมันต้องเอาไว้พูดเมื่อบัญญายานสองเป็นเอกเทศแล้วก็ไอ้เหตุหลักเนี่ยครับมันกลับอยู่ชาติก่อนถ้าลำพังว่าเรารู้แค่ชาตินี้ เราใช้แก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้มากจะเรียธรรมเราจะเิญไม่ได้มากด้วยนะรู้ลึกจะเรียธรรมจะเลินลึกและความสุขโดยธรรมก็สุขไม่มากด้วยถ้ารู้ข้ามเลยไปถึงอดีตความสุขเราก็มากด้วยพูดอย่างนี้แล้วคิดไม่ออกในทางเหตุผลธรรมดาเลยนะต้องค่อย อธิบายไปทีละแถบทีละแถบนี่คือหลักลุมอ่าทีนี้ถามว่าชาติก่อนเนี่ยไอเหตุชาติก่อนเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้หรือนี่คือผมจะถามให้คิดชาติก่อนเนี่ยเรามีแต่รูปมีแต่นามเวทนาอยู่ทางสัญญาอยู่ทางตําอยู่ทางกิเลสอยู่คนละที่คนละทางมันสับสนอลมหมายกันอยู่เหมือนขยะอากาศ แล้วก็เป็นพลังก่อให้เราเกิดชีวิตขึ้นมาอย่างนี้นหรือชีวิตสมบัติสาเร็จรูปมันเคยมีมาแล้วเคยมีมาแล้วใช่ไหมไอ้โดยสาระกรรมกิเลสเราที่มันสําเร็จรูปเป็นกระแสชีวิตอย่างชาติเนี้ถึงมันจะไม่เหมือนนิเปียบมันไม่มีชาติไหนเหมือนเปียบประงชาติเดียวมันเหมือนได้ข้อข่าวกราวแต่ในร่างหลักที่ดีมันเหมือนกันหมดในทางหลักลึกของสภาวะกรรมกิเลสนี่ต่างกันตรงไหนลองคิดดูนะใช่ไหม ชาติที่แล้วกับชาตินี้กรรมกิเลสต่างกันตรงไหนผู้หญิงกับผู้ชายกรรมกิเลสต่างกันตรงไหนมนุษย์กเทวดาเดรัจฉานกับเปรตต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันในแง่นี้เพราะนั้นมันก็คือไอ้ชีวิตชาติก่อนมันก็คือกลุ่มของเหตุของผลชีวิตชาติหน้าก็คือกลุ่มของเหตุของผลที่มันเป็นของมันเองอย่างปัจจุบันด้วยกันแล้วก็ชีวิตหนึ่งกับชีวิตหนึ่งโดยความเป็นกระแสเหตุผลมันเชื่อมกันในทางลึก นื้อไอ้ที่เรารู้ได้ง่ายก็คือไอ้ใกล้ๆใกล้ๆเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่านี่วิสุทธิมารอธิบายผมจะยกตัวอย่างไอย่างใกล้ๆว่าท่านอธิบายอย่างนี้เมื่อรู้เหตุปัจจัยของนามรูปอย่างใกล้ๆตื้นตื้นแล้วก็เฉพาะด้วยคือเมื่อเห็นผู้ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นในทางปฏิบัติว่าจากักษุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะปัจจัยสีโดยทฤษฎีเรารู้อยู่แล้ว ใช่ไมฮะไม่เรียนทฤษฎีเราก็ไม่เคยคิดถ้เรียนทางโลกมาก็พอรู้เดี๋ยวนี้แต่เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดพอมารู้อย่างนี้ว่ามันเกิดจากเหตุจากปัจจัยก็รู้ไอ้ น, นี่มันคืออน า, ามคือรูปและเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยใครก็บันดาลให้เกิดไม่ได้จริงไหมฮะมีจักษุประสาทมี โูบาลมมีแสงสว่างมีมรริการจะดูจักสุวิญญาณจึงเกิดการเห็นจึงเกิดมีประสาทหูมีช่องที่แสไ อ, ไอเสียงมันเข้ามาได้มีเสียงมีเจตนาจะฟังจึงได้ยินอันนี้โดยทฤษฎีเออก็ฟังดูเก็เขาทา่าที่นี้คนปฏิบัติเนี่ย มันเหนือกว่าปริยัติตรงนี้ครับเหมือนที่ผมบอกว่าถามว่าได้ยินที่ไหนนักอวิธรรมตอบมันเสียงเดียวกันได้ยินที่หูแล้วรู้เคยรู้ไหมว่าได้ยินที่หูได้ยินที่หูเป็นไงรู้ไหมไม่ชั้นใดก็ชั้นนะคนที่ไปเห็นเหตุประจัยเนี่ยมันเห็นสภาวะเห็นปรากฏการของรูปของนามที่มาประชุมพร้อมกันแล้วก็รู้อนไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอย่างปฏิบัติรู้นี่พอรู้อย่างนี้ ไอ้ความยึดถืออะไรแต่ไรเนี่ยมันมันเพ่าแล้วครับเช่นยึดถือเสียงเสียงดาย่าบอกว่ได้ยินด่าก็กําหนดได้ว่าได้ยินสักได้ว่าได้ยินมันไม่ค่อยทันแต่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกเลยครับมันเกิดพลังขึ้นมาเห็นคนดาน่านะโอ้ยไร้สาระมากความโกรธของตัวเองนี่ไร้สาระมากแล้วก็รู้มันจะต้องได้ยินอย่างนี้นี่เป็นเหตุลึกเข้าไปอีกแล้ว ก็ เ, เหตุได้ยินเนี่ยถามว่าถ้าถาม เ, าเวลาพระปลอบบอกเออมันกรรมเราเราปลอบเราก็ากรรมของเราไปด่าเขาไว้ถึงไม่ได้ยินอย่างนี้นี่เขาเลยว่าปลอบด้วยเหตุไกลแต่ถ้าปลอบด้วยเหตุใกล้อย่างวิปัสนาชั้นแรกบอกเออได้ยินเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนนะมีโสรตาวิญญาณปรากฏมีเสียงปรากฏเสียงก็สูงๆู ง, งต่ำตอันนี้วิปัสนาญาณเขาจับได้ทางนั้นเห็นซึ้งในความรู้สึกได้ทางนั้น แล้วก็อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ว่าใครก็บรรดาให้ได้ยินไม่ได้พระเจ้าเทพพระเจ้าที่ว่าวิเศษวิเศษบรรดาไม่ได้เลยอย่ยนตาบอดที่ไปใครจะไปบรรดาให้ได้ให้เห็นล่ะเห็นไหมละ่ะหรือไม่มีจิตไม่มีวติุการก็เห็นไม่ได้แต่เมื่อจะเห็นแล้วมีสารสมีสีอย่างมาเี่นนี่คือเหตุใกล้แล้วก็เป็นเหตุเฉพาะของโสตวิญญาณเป็นต้น เหตุไกลมีและเหตุไกลนี้บางทีมันร่วมกันครับยกตัวอย่างเช่นว่าคนคนหนึ่งพูดพูดแล้วอาจจะนึกถึงภาพยนตร์แต่ของจริงมีไปพูดให้เขาตอมใจตายหมายความว่าไงไปทำบาปอันเนื่องด้วยเสียงที่ไม่ดีใช่ไหแล้วก็ไปทำให้เขาตายหรือกรณีที่ถ้านำรูปเข้าไปด้วย ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งโผฏฐัพพะออย่างคนไปฆ่ากันตายอะไรกันตายเงี้ยนะหรือไปทําให้เหตุตายที่มันมีหลายหลากมากอย่างนะไอนี้ให้น้กเอาเองเวลามันมาส่งผลเนี่ยปรากฏว่าไอทางตามันลักษณะหนึ่งมันให้ผลทางตาลักษณะหนึ่งมันให้ผลทางหูนี่คือเหตุร่วมเขาเรียกว่าเกิดจากกรรมคดีเดียวกันเหตุใกล้คนละเหตุกันได้ยินไอื่อได้ยินกระเจ็บเงี้ย ใช่ไหมเหตุใกล้ของกายวิญญาณเป็นอันหนึ่งของโสตวิญญาณอันหนึ่งแต่มันมาจากไหนมาจากกรรมคดีเดียวกันนี่คือเหตุร่วมทั้งดีก็เหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้จึงไม่แปลกคริพุจ้าว่าเมื่อคนทําบาปอย่างหนึ่งจะได้รับผลไม่ใช่อย่างหนึ่งทําบุญอย่างหนึ่งได้รับอา น, นิสงส์ไม่ใช่อย่างหนึ่งอา น, นิสงส์หลักอา น, นิสงส์รองอา น, นิสงส์สำคัญอา น, นิสงส์ทันทีอา น, นิสงส์รอ ข้ามญาติมีหลายอย่างก็เราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกที่เรียกว่ารับผิดชอบและเป็นตัวของตัวเองนะแต่มันก็แปลกว่าไอ้ความรู้อย่างนี้ไม่ทําให้คนหญิงยะโสนะเช่นเรารู้ว่าใครบันดาลเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บรนดาลไม่ได้ออกไปนี้เราก็ไม่ต้องนับถือพระพุทธเจ้าหรือนับถือมากยิ่งขึ้นเจ้าองค์ไหนก็บรนดาลไม่ได้ คนมาเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยเหยียดหยามพระเจ้าของศาสนาอื่นเอาขึ้นมาดา่าขึ้นมาทวงติงเหยียบย่ำกระทาไม่ชอบอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่เป็นอย่างนั้นลักษณะของคนที่เจริญในทางพระเจ้าวิมีสารนี่เป็นพระโสดาบันศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าแต่พระราชทานที่ให้วัดทั้งพุทธและไม่ใช่พุทธเวลรวันแบ่งเป็นสองแถบ แถบหนึ่งให้พูดแถบหนึ่งให้พวกเดลทีแล้วก็ดูแลชูบเลี้ยงคนไม่บังคับใครเข้ า, าศาสนาเข้าใจใคืออันนี้เขาเรียกเข้าใจเหตุปัจจัยเราถึงบางทีนึงเออเหตุปัจจัยเข้ป็นอย่ายไหมไอแต่ว่าเร า, เราพูดแล้วก็แค่พูดแต่ถ้าคนเห็นกระแสรจริงๆเนี่ยนะะมันไม่ใช่พูดอย่างความรู้สึกผิวๆความรู้สึกแบบอมๆไม่รู้สึก หรือถูกท้วงที่จะไม่ให้รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกเข้าใจอย่างทราบซึ้งจริงๆแล้วก็มันก็จะมีผลต่อการผ่อนหนักผ่อนเบาหวังผลอย่างไรอย่างไรในทางปฏิบัติได้เลยได้แค่นี้แต่ยังต้องพูดอีกตรงนี้เปราะนั้นจบข้งนี้ก่อนนะที่เหลื อ, อไว้ล่าวหน้า